ตุทุกะซุบหกมัคคารมณติกะหนึ่งมัคคารมณบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะยะจตุกนัยเหตุปจจัจใจสี่้อยห้าสิบสามสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจยัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นอารมณ์ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีมักเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมักเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีมักเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อ454เหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระ um. ละถึงกัมปัจจัยมีเก้าวาระละถึงพวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระย่อนเหตุปัจจัยสี่ร้อยห้าสิบห้าสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นอารมณ์อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นอารมณ์เกิดขึ้นพระน้เหตุปัจจัยย่อสี่ร้อยห้าสิบหกนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระหน้าทิปฏิปัจจัยมีเก้าวาระ นาปุเรชาตตปัจจัยมีห้าวาระนาปัจชาชาตตปัจจัยมีห้าวาระนาอาศิวนปัจจัยมีห้าวาระนากรรมะปัจจัยมีสามวาระนาวิปากปัจจัยมีห้าวาระนามะขาปัจจัยมีหนึ่งวาระนาวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระย่อนาอธิปติปัจจัยกับเพรุกปัจจัยมีห้าวาระย่ออารมณปัจจัยกับนเฮโตปัจจัยมีหนึ่งวาระ ย่อพึงขยายสหชาตะวาระปัจยวาระนิสยะวาร ะ, ะ, าระสังสถตวาระและสัมยุญตะวาระให้พิจารณเหมือนกับปฏิจจวาระหนึ่งมคารมณะบท 7. ปัญหาวาระปัจยะจตุกไนเหตุปัจใจเป็นต้น457สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมากเป็นอารมณ์เป็นปั จ, จัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุ ซึ่งมีมรรคเป็นอารมณ์โดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นอารมณ์เป็นปจ ais, ัจจัยแค่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นอารมณ์โดยที่ปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติมีสามว mm าระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นอารมณ์โดยที่ปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติ มีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นอารมณ์โดยนันตระปัจจัยย่อสี่ร้อยห้าสปดเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีหกวาระอนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสมนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสหชาตะปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเก้าวาระ นิเียปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิเชียปัจจัยมีเก้าวาระอาเสวะนปัจจัยมีเก้าวาระกรมมปัจจัยมีสามวาระมหาราปัจจัยมีสามวาระเอินทรียปัจจัยมีเก้าวาระฌานปัจจัยมีสามวาระมัคคะปัจจัยมีเก้าวาระสำปรยุติปัจจัยมีเก้าวาระอัติปัจจัยมีเ้าวาระนติปัจจัยมีเ้าวาระ วิคตาปัจใจเมียาวาระอวิคตาปัจใจเมียงฆาวาระย่อปัจจนียุทธาระ459สภาะวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมักเป็นอารมณ์เป็นปัจใจแห่งสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมักเป็นอารมณ์โดยชาชาตาปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัยยอ่อ460นั่นเหตุตุปปัจใจเมียงฆ่าวาระ นอารามณปัจจัยมีห้าวาระย่อนอารามณปัจจัยกับเหตุตปัจจัยมีสามวาระย่ออารามณปัจจัยกับนัเหตุตปัจจัยมีสามวาระย่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจญิยะอนุโลมปัจญิยและปัจญิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในขุศลติกะที่นับไว้แล้ว 2. มัคคเหตุตกกระบดหนึ่งปฏิจจวาระ ปัจจะตุกนัยิเหตุปัจจัี่อยหกสเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นเหตุ อา ส, <an> สัจพะวะธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีมักเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อ462เหตุปัจจัยมีฆ่าวาระอารมณปัจจัยมีฆ่าวาระอธิ ป, ปติปัจจัยมีฆ่าวาระละถึงอาเสวนปัจจัยมีฆ่าวาระประมระปัจจัยมีฆ่าวาระมหาราปัจจัยมีฆ่าวาระอินทริยะปัจจัยมีฆ่าวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีฆ่าวาระย่อณอธิปติปัจจัย๔๖๓สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมักเป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมักเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยย่อ๔๖4ณอธิปฏิปัจจัยมีหกวาระณปุเรชาตะปัจจัยมีฆ่าวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยมี9่าวาระ นักรมะปัจจัยมีสามวาระนวิปากะปัจจัยมีห้าวาระนวิปย no so. ุตตะปัจจัยมีห้าวาระย่อณะอธิปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหกวาระย่อเหตุปัจจัยกับหน้าอธิปฏิปัจจัยมีหกวาระย่อพึงขยายสหชาตวาระปัจยวาระนิสยวาระสังสถวาระและสัมพยุตตะวาระให้พิจารเหมือนกับปฏิจจวาระ Pattern, e. สองมรรคเหตุตุกบทเจปัญหาวาระปัจจะยะจตุกนัยเหตุปัจจัยและทิปติปัจจัี่รยหกสิบ้าสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมักเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมักเป็นเหตุโดยเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมักเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมักเป็นเหตุ โดยธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีมักเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีมักเป็นเหตุโดยธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติมีสามวาระย่อ466เหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระสหชาตะปัจจัยมีกล่าวาระ อัญญมัญญปัจจัยมีเ้าวาระนิสยปัจจัยมีเ้าวาระอุปานิสยปัจจัยมีเกวาระกามะปัจจัยมีสามวาระอหาระปัจจัยมีสามวาระอินทรียะปัจจัยมีเกวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีเกวาระสัมปยุตตปัจจัยมีเกวาระอัติปัจจัยมีเกวาระอวิคตะปัจจัยมีเกวาระย่อ ปัจจ尼ยุทธาระ467สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นเหตุโดยสหชาติปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยยอ่อ468ณเหตุปัจจัยมีฆ้าวาระณอารมณะปัจจัยมีฆ้าวาระย่อณอารมณะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อ อธิปฏิปัจจัยคำหน้าเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนิยะอนุโลมะปั จ, จนิยะและปัจญจิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในคุศลตกะที่นับไว้แล้วสมมขคาทิปฏิบทหนึ่งปฏิ จ, จัวาระปัจยะจตุกนัยเหตุปัจจัย4ห9สิเก้าสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมักเป็นอธิปดี อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นอธิปปีเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย tests, มีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นอธิปปีอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นอธิปปีเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย hates, osas, มีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นอธิปปีอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นอธิปปีเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัย hates, ас, มีสามวาระย่อ สี่เจเหตุปัจจัยมี9ลาวาระอรมณ์ปัจจัยมีกล่าววาระและถึงกรรมปัจจัยมีกล่าวาระอาหารปัจจัยมีกล่าววาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีกล่าวาระย่อณอธิปติปัจจัี่ยเจ1สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมากเป็นอธิปดีอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมากเป็นอธิปดีเกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัย ย่อศูย์เจ็ดิบสองณอธิปติปัจจัยมีกาวาระณปุเรชาตะปัจจัยมีกาวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีกาวาระณอเสุวรรณปัจจัยมีกาวาระณกรมมปัจจัยมีสามวาระณวิปากะปัจจัยมีกาวาระณวิปยุตตปัจจัยมีกาวาระย่อณอธิปฏิปัจจัยกับเพรตุปัจจัยมีกาวาระย่อ นเหตุปัจจัยกับน่าอธิปติปัจจัยในข้าวาระยอ่อพึงขยายสหชาตะวาระปัจยวาระนิจยวาระสังสถาวาระและสัมยุญตวาระให้พิจารณาเหมือนกับปฏจจิจวาระ 3. มมรคาธิปติบท 7. ปัญหาวาระปัจยะจตุกนัยเหตุปัจจัยเป็นต้น๔๐๗๓ สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นอธิปดีเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นนิธิปดีโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นนิธิปดีเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นนิธิปดีโดยระมณะปัจจัยมีเก้าวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นอธิปดีเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมรรคเป็นอธิปดีโดยธิฏฐิปัจจัยมีสองอย่าง คืออารมนาธิปปิและจัณฑชาตาธิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีมักเป็นอธิปดีเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีมักเป็นอธิปดีโดยทิปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออรมนาธิปปิและจัณฑชาตาธิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่เป evet. <Yao S 1> ็นเหตุและไม่เป็นเหตุซึ่งมีมักเป็นอธิปดีเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมักเป็นอธิปดี โดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมนาธิปติมีสามวาระย่อ474เหตุ 4, ปจจจัจจัยมีสามวาระอารมณปัจใจมีเก้าวาระอธิปติปัจใจมีเก้าวาระอันันตระปัจใจมีเก้าวาระสมนันตระปัจใจมีเก้าวาระสาชาต์ปัจใจมีเก้าวาระอัญญมัญญะปัจใจมีเก้าวาระ นิ time, colour, Bloom, colour, สยปัจจ pues ัยมีเก้าวาระอุปาณิสยปัจจัยมีเ้าวาระอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระกามาปจจัยมีสามวาระมหาราปจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีเ้าวาระชานาปจจัยมีสามวาระมัคคะปจจัยมีเก้าวาระสมยุตตปัจจัยมีเ้าวาระอัติปัจจัยมีเ้าวาระละถึง อวิคตาปัจจัยมีกลาวาระย่อปัจจนิยุทธาระสีสหสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมากเป็นอธิปดีเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีมากเป็นนิทิปดีโดยอา ร, รมณปัจจัยสหาชาตาปัจจัยและอุปาณิเสยปัจจัยย่อ476นเหตุปัจจัยมีกลาววาระนะอารมณปัจจัยมีกลาวาระ ยอ่อณอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่ออารมณปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมีกล่าวาระยอ่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนิยะอนุโลมปัจจนิยะและปัจจนิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในขุสละเด ก, กะที่นับไว้แล้วเหตุทุกะและมักการมณะเดกกะจ หเหตุ 1> 1. นนทุกกะสิบเจ็ 1. อุปนนติกะหนึ่งอุปนนบทเจปัญหาวาระปัจจะยะเจตุกรนยัยเหตุปัจจัยและอุปนิสยปัจใจสี่ร้อยเจ็สิบเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเกิดขึ้นเป็นปัจใจแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเกิดขึ้นโดยเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเกิดขึ้น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 คืออรารมณ์นาทิปติและสหชาตาธิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเกิดขึ้นโดยสหชาตปัจจัยย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเกิดขึ้นเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเกิดขึ้นโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างคืออรารมณูปานิสยและปะกะตูปานิสย ประกตูปะนิสยะได้แก่บุคคลอาศัยเหตุที่เกิดขึ้นแล้วทำชาให้เกิดขึ้นทำมิปัจนามากักอาพิญยาสมาบัตให้เกิดขึ้นโยอ่อ478เหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีหกวาระสหชาตปัจจัยมีเ้าวาระปัญญามัญญปัจจัยมีเก้าวาระนิสยาปัจจัยมีเก้าวาระ ปุปานิเสยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาติปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระกรมมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีเ้าวาระมหาราปัจจัยมีสามวาระอินทรียาปัจจัยมีเก้าวาระฌานะปัจจัยมีสามวาระมัคคปัจจัยมีเก้าวาระสัมยุตตปัจจัยมีเ้าวาระวิบิวตปัจจัยมีห้าวาระ อติปัจจัยมีฆ่าวาระอวิคตะปัจจัยมีฆ่าวาระยอ่อปัจจนิยุทธาระ479สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเกิดขึ้นเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเกิดขึ้นโดยสหชาตปัจจัยยอ่อ480นเหตุปัจจัยมีฆ่าวาระณอารมณ์ปัจจัยมีฆ่าวาระยอ่อ นอารรมณปัจจัยกับเภตุปัจจัยมีสามวาระย่อธรรมณปัจจัยใจขนเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่ อ, จจยจจยยอพึงนับเหมือนอนุโลมปัจญจิยะอนุโลมปัจญจิยะและปัจญจิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลติกะที่นับไว้แล้วในทุ ก, กะและติกะนี้ไม่มีปฏิจจาวาระสังหชาตวาระปัจญิยาระนิจญยวาระ สังสัทธวาระสัมยุตตวาระอนุปันธธรรมและอุปาทิธรรมเหตุทุกะและอุปนตุกะจบหนึ่งเหตุทุกะสิบแปดอติตะตุกะสปัจจุบันธบทเจปัญหาวาระปัจะจะยจตุกนัยเหตุปัจจัยเป็นต้นสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นปัจจุบัน เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นปัจจุบันโดยเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นปัจจุบันเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นปัจจุบันโดยอรมณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นปัจจุบันเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นปัจจุบันโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวครูสหชาติธิปติมีสามวาระ สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นปัจจุบันเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นปัจจุบันโดยที่ปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมานาธิปติและสหชาตาธิปติมีสามวาระสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นปัจจุบันเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นปัจจุบันโดยสหชาติปัจจัยย่อ482เหตุปัจจัยมีสามวาระ อรามณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีหกวาระสหชาตปัจจัยมีเ้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเ้าวาระนิสยปัจจัยมีเ้าวาระอุปาณิสยปัจจัยมีเ้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระภาชาชาตปัจจัยมีสามวาระพรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีเ้าวาระมหาราปัจจัยมีสามวาระ อินทรียปัจจัยมีห้าวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีห้าวาระสัมยุตตปัจจัยมีห้าวาระวิปยุตตาปัจจัยมีห้าวาระอภิปัจจัยมีห้าวาระอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระย่อปัจจ尼ยุทธะ4๘๓สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นปัจจุบัน เป็นปัจจัยแค่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นปัจจุบันโดยสหชาตปัจจัยย่อ4ี่ร้นเหตุตุปปัจจัยมีห้าวาระนอารรมณปัจจัยมีห้าวาระย่อนอารรมณปัจจัยกับเหตุตุปัจจัยมีสามวาระย่อธรรมณปัจจัยกับนเหตุตุปปัจจัยมีสามวาระย่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนิยะอนุโลมปัจจนิยะ และปั จ, จิญาณุโลมแห่งปัญหาวาระในขุสลติดกะที่นับไว้แล้วในทุกกะและติดกะนี้ไม่มีทั้งปฏิจจวาระสหชาตะวาระปัจยวาระนิสยาวาร ะ, าาระสังสถาวาระสัมยุญตวาระอดีตธรรมและอนาคตธรรมเหตุทุกกะและอติเติดกะจบหนึ่งเหตุทุกกะสิเกอตีตารมณเติดกะ หนึอติตารมณบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจจยะจตุกนัยเหตุตุปัจใจสี่้อยแปดสิบห้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์อาศัย hey <Yes S 1> สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจมีสามวาระยอ่อ486เหตุตุปัจมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจมีเก้าวาระอนันตรัตตุปใจมีเก้าวาระ ธรรมนันตระปัจจัยเมฆาวาระละถึงกรมมปัจจัยเมฆาวาระละถึงอวิคตะปัจจัยเมฆาวาระยอ่อหน้าเหตุ ป, ปัจจัยและหน้อธิ ป, ปติปัจจัย487สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเ พ, นเพราะหน้าเหตุ ป, ปัจจัย สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เกิดข mm. um, ึ้นเพราะหน้เหตุกปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีอดีตธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะน้อธิปติปัจจัยย่อสี่ร้อยแปดสิบแปดหน้าเหตุกปัจจัยมีสองวาระหน้อธิปฏิปัจจัยมีเก้าวาระ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 ย่อพึงขยายสหชาตะวาระปัจยวาระนิสยวาระสังสัถาวาระและสัมยุตตวาระให้พิจาราเหมือนกับปฏิจจวาระ 1. อติตารมณบท 7. ปัญหาวาระปัจยะจตุ ก, กนัยเหตุปัจจัยเป็นต้น 489. สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเมดิตธรรมเป็นอารมณ์ เป็นปัจเจยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเดจธรรมเป็นอารมณ์โดยเหตุุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเดจธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเดจธรรมเป็นอารมณ์โดยอารมณปัจจัยมีเก้าวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุ Although, ปปซึ่งมีเดจธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเดจธรรมเป็นอารมณ์ โดยที่ปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปติและสหชาตาธิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเดตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเดตธรรมเป็นอารมณ์โดยที่ปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปติและ ok? สหชาตาธิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเดตธรรมเป็นอารมณ์ เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเมียดิจะทำเป็นอารมณ์โดยที่ปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมนาธิปติมีสามวาระย่อ4ี่เกเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณ์ปัจจัยมีเก้าวาระอธิปฏิปัจจัยมีเก้าวาระอันันตรปัจจัยมีเก้าวาระสมนันตรปัจจัยมีเก้าวาระสหชาติปัจจัยมีเก้าวาระ อัญญมัญญปัจจัยมีเก้าวาระอเนสยปัจจ yani ัยมีเก้าวาระอุปาิเสยปัจจัยมีเ้าวาระอเจวะนาปัจจัยมีเ้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีเก้าวาระมหาระปัจจัยมีสามวาระอินทรียะปัจจัยมีเ้าวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมกะปัจจัยมีเก้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระ อธิ ป, ปัจจัยมีก้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีก้าววาระย่อปั จ, จนิยุทธาระ491สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีอดิตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีอดิตธรรมเป็นอารมณ์โดยอารมณปัจจัยสหชาตาปัจจัยและอุปาณิเสียปัจใจ ย, ย่อ492 นัเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนั่นอรมณปัจจัยมีเก้าวาระย่อนั่นอรมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ออารมณปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมีเก้าวาระย่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนิยะอนุโลมปัจจนิยะและปัจจนิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลติกะที่นับไว้แล้ว 2. <t củ> อนาคตาระมณบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะยะจตุกนัยิเหตุปัจจัย4ก้าสาสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีอนัคตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีอนัคตธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีอนัคตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ ซมีนาคตธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีนาคตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีานาคตธรรมเป็น อ, น า, กกอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยมีสามวาระย่อ494เหตุถูปัจจัยมีเ้าวาระอรมณปัจจัยมีเก้าวาระและถึงกรมมปัจจัยมีเก้าวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีกลาวาระย่อนเหตุปัจจัยและณอธิปติปัจจใจ495สภาวธรรมที่ไม mo ่เป็นเหตุซึ่งมีนคตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีนคตธรรมเป็นอารมณ์เกิดเพิ่เพราะนเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีนคตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ ซึ่งมีนกักตธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะนเหตุตุปัจสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีนักตธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีนักตธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะนอธิปติปัจจัยย่อ496นเหตุตุปัจมีสองวาระนอธิปติปัจมีเก้าวาระน่ปุเรชาติปัจมีเก้าวาระ นปัจชาชาตะปัจจัยมีเ้าวาระนอเสวนาปัจจัยมีเ้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีเ้าวาระนมะฆะปัจจัยมีหนึ ja, for the self, for the ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยมีเ <amin soybean zusammen> ้าวาระย่อนอาทิตต <w Harris> ิปัจจัยกับเหตุตกปัจจัยมีเ้าวาระย่ออารมณปัจจัยกับนเหตุตกปัจจัยมีสองวาระย่อ เึ่งขยายสหชาตะวาระปัจจะวาระนิสยะวาร ะ, ะ, าระสังสถัวาระและสัมปยุตตวาระให้พิสดาเหมือนกับปฏิจจวาระ 2. อ, อนาคตารมณบทเจ็ดปัญหาวาระปัจยจยจตุ ก, กนัยเหตุปัจใจเป็นต้น497สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีนักตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจใจแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุ ซึ่งมีน yes mmm <ical DON> <étaient> คตธรรมเป็นอารมณ์โดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีนคตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีนคตธรรมเป็นอารมณ์โดยอารมณปัจจัยมีเก้าวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีนคตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีนคตธรรมเป็นอารมณ์โดยที่ปฏิปัจจัยมีสองอย่าง คืออารมนาทิปติและสัชาตาทิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีนักกตธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีนักกตธรรมเป็นอารมณ์โดยทีิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาทิปติและสัชาตาทิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีนัตธรรมเป็นอารมณ์ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีนักตธรรมเป็นอารมณ์โดยที่ปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาทิปติและสหชาตาธิปติมีสามวาระย่อ498เหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณะปัจจัยมี9ก้าวาระอธิปติปัจจัยมี9ก้าวาระอนันตระปัจจัยมี9้าวาระสัมนันตระปัจจัยมี9้าวาระ สหชาติปัจจัยมีเ้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเ้าวาระนิสยปัจจัยมีเ้าวาระปุปปานิสยปัจจัยมีเ้าวาระาเสวนปัจจัยมีเ้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีเ้าวาระมหารปัจจัยมีสามวาระอินทริยปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมคราปัจจัยมีเ้าวาระ สัมปยุตตะปัจจัยมีฆ้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีฆ้าวาระย่อปัจจนิยุทธาระ499สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีนาคุต ธ, ธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีนาคุต ธ, ธรรมเป็นอารมณ์โดยรมณปัจจัยสหชาตะปัจจัยและอุปาเสสยปัจจัยย่อห้าร้อย นัเหตุปัจจัยมีเก้า ว, วาระนั่นอรมณปัจจัยมีเก้า ว, วาระยอ่อนั่นอรมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่ออารมณปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมีเก้าวาระยอ่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจ尼ยะอ น, นุโลมปัจจ尼ยะและปัจจ尼ยานุโลมแห่งปัญหาวาระในขุสละติกะที่นับไว้แล้วสาม ปัจจุปันนาระมะนบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะยะจะตุกปนัยเหตุตุปัจห้าร้อยหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุ ซึ่งมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรมร ม, มที่เป็นเหตุซึ่งมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อห้าร้อยสองเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอรมาณปัจจัยมีเก้าวาระมธทิตติปัจจัยมีเก้าวาระละถึง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 ซึ่งมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เกิดเ mm ึ hmm ินเพราะนเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์หมายสายสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะนัอธิปฏิปัจจัยย่อห้าร้อยสีนเหตุปัจจัยมีสองวาระนอธิปติปัจจัยมีก้าวาระนปุเรชาตปัจจัยมี9้าวาระ นภัชชาชาตปัจจัยมี๙วาระนอาศัยวณัจจัยจมี๙วาระนกรรมปัจจัยมี๓วาระนวิปากะปัจจัยมี๙วาระนชาณปัจจัยมี๑วาระนมะฆะปฏใจมี๑วาระนวิปยุตตะปัจจัยมี๙วาระย่อนอธิปติปัจจัยกับเหตุตุปัจจัยมี๙วาระย่ออารมณะปัจจัยกับนเหตุตุปฏใจมี๒วาระย่อ พึงขยายชหาชาตะวาระปัจยวาระนิจยะวาระสังสัทะวาร ะ, าาระและสัมยุญตวาระให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาระสปัจจุปันนารมณบทเจ็ดปัญหาวาระปัยะจยยจตุ ป, ปนยัยเหตุปัจจัยเป็นต้นห้าร้อยห้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุ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 เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์โดยที่ปฏิปัจจัยมีอย่างเดียว hmm คืออรมานาธิปติมีสามวาระย่อห้าร้อยหกเหตุปัจจัยมีสามวาระอรมานะปัจจัยมี9้าวาระอธิปติปัจจัยมีเ้าวาระอนันตระปัจจัยมีเ้าวาระสมณันตระปัจจัยมี 9, ก้าวาระสหชาติปัจจัยมี9้าวาระ อัญญมัญญปัจจ ah ัยมีเ้าวาระนิสยปัจจัยมีเ้าวาระอุปาณิสยปัจจัยมีเ้าวาระอายเสวนปัจจัยมีเ้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีเ้าวาระมหาราปัจจัยมีสามวาระอินทริยะปัจจัยมีเ้าวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมัคคะปัจจัยมีเ้าวาระสมบูญตาปัจจัยมีเ้าวาระละถึง วิคตะปัจจัยมีก้าวาระย่อปัจจนิยุทธาระห้เจสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์โดยอรมณปัจจัยสหชาตะปัจจัยและอุปาเนจีห์ปัจจัยย่อห้าน้อยเหตุปัจจัยมี9ลาวว่ะณอรมณปัจจัยมี9ลาวว ย่อณอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ออารมณะปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมี9้าวาระย่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจ尼ยะอนุโลมปัจจ尼ยะและปัจจ尼ญานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลเิกะที่นับไว้แล้วเหตุทุกกะและอติตารมณติกะจบ